ฟังทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่พวกเรากำลังทำอยู่ในเวลานี้นะมาช่วยอาจารย์คงสงสินมาช่วยอาจารย์พัฒนาชั ย, มา ช, ยามาช่วยอาจารย์ปู่วเทพมาช่วยหลายท่านเป็นบางข้างบางคราว แม้ว่าหลวงพ่อไม่เทศนาเอง mm hmm. ก็อาจารย์ทรงศิลหรือใครที่อยู่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนะอันเดียวกันหลวงพ่อพูดจะไงท่านก็พูดจะนั่นท่านพูดจะไงหลวงพ่อพูดอย่างนั้นปฏิบัติทำพอทาเหมือนกันยกเม่างจังหวะสิบสี่จังหวะอาแดนใหม่ให้เป็นจังหวะ จต่ว่หนึ่งวินาทีหนึ่งลูกทีหนึ่งวินาทีหนึ่งลูกทีหนึ่งแต่ลูกทุกวินาทีช่วงหนึ่งก็ได้สามพันหรอยลูกเร่วมในหนองทองมันจะไปไหนเราสร้างตัวลูกอยู่นี่ <c oughs> อย่าไปยุ่งกับกจิตใจนะจิตใจแม่นมันจะคิดจะเล่นไปไหนช่างหัวมัน มีสติเปนงกายก่อนมีสติเปนงกายก่อนอย่าให้รู้สึกว่าดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาไม่ใช่เดีดึงอะไรเ ร, เรากำหนดลูกกายมันก็มาเองสติมันก็มีเองไม่ใช่แบบเราเป็นผู้ดึงมันมาสู้กับบันสู้กับความคิดมันจะปวดหัวมันจะง่วงนอนมันจะยากเป็นทุกข์ขาปฏิปทา ธานะปิจาปฏิบัติลำบากลู้ได้ยากปฏิบัติลำบากลู้ได้ยากนะทุกข์ขาปีปตาชิปปัญญาปฏิบัติสะดวกลู้ได้ง่ายทำให้มันสะดวกสะดวกการสร้างสติไม่ไม่กินแรงเราอะไรไม่เลยสู้ ก, กับอะไร รูปเฉยๆรูปเบาๆอย่าไปรูปแบบกี้แบบแน่นแม้มันหลงบ้างก็ไม่เป็นไรทําใหม่ๆใครก็เหมือนกัน่ะง่วงนอนก็ง่วงนอนหลงก็หลงถ้าจะให้หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่มีใครง่วงเท่าหลวงพ่อก็ว่าได้จะใครก็สุดสุดเหมือนกันความง่วงนะ ความคิดก็เหมือนกันยิ่งจะไม่อนโน้นไ ม, ไม่ไม่มีกลุ่มอะไรไม่มีคอร์ดอะไรไปด้วยกันเองไปคนคนขวยหาไม่มีหมู่ไม่มิรไม่อบบุญใจเหมือนที่นี่เราไปคนเดียวไปขออยู่ยากปฏิบัติ เขาไปขออยู่ท่านก็บอกว่าไม่มีที่อยู่แล้วเต็มหมดแล้วก็ดีไม่มีเราทำงางไงเช่นแล้วก็หาวิธีไปซื้อผ้าใบผ้านผ้ายางผ้าจิติกมาทำหลังคาไปขอเตียงบ้านวัดบ้านหนึ่ง เอาลอหน้าไว้ใส่มาแล้วก็ทำเป็นหลังคาเอาผ้าพลติกมุงเอาจีวรขาดๆของพระมาทำเป็นฝาพอหน้าฝนไม่กระเด็นใส่นอนได้แล้วก็ค้นขวายอยู่กันอาหารการกินก็รับเศษ จ, จริงๆนะกระพระฉันเราท่านก็เหลือลก็รวมกันเอาวางไว้บนศาลาเอาถาดคมไม้ ท่านกตีทั้งนัง้งแป้งแป้งแป้งเราก็มามาแล้วก็ท่านก็นลงหนีไปเราไปาฉันบางวันก็น้ำเพล็กเนี่ยต้องเราน้ำในกาเทลองใส่เรื่อยๆถ้าเราไปเอาน้ำเพล็กมันมไม่อิ่มมันน้อย <laughs> อน้ำในกาเทลองใส่กรนะชิมอื้ออ้วนนะเออ จนพระในเมืองมาดูเอ้ยพระวัดป่าพุทธยาณไม่ขีก็ดีมีแต่คนหน้าแดงๆเขากินข้าวกับาอะไรพรขาขนมไปด้วยออามาดูเรายินเนม่มีอะไรน้ำพริก <c oughs> นะน้ำร่างถ้วยน่ยไปเททิ้งไม่ได้น้ำล่างบาดเททิ้งไม่ได้ เอาวัตถยาแวล่ามล่างบาทต้องเทรวมกันใส่กระมังส่งไปส่งไปส่งไปเทใส่ที่เดียวกันเอาให้แม่ขี่ไปล่างถ้วยน่าล่างบาทเราล่างถ้วยเราเททิ้งไม่ได้แต่รถต้นพิกต้นเขืออยู่ข้างๆโรงอาหารโตนี่ดุยซึ่งที่สุดเลยฟองทุกยากลำ บ, บากเลยมันทาให้เราเป็นความเข้มแข็งเท่าทุกวันนี้ คนที่มีความสะดวกสบายอ่อนแอนะจะบอกให่นะไม่สู้พอหิวที่ดอยอุย้ยคิดถึงบ้านแลยอารมณ์รกระสังไปแล้ยอยากกินอะไรก็กินเลือกได้ที่นี่เลือกไปไหนมัดปือชกกันเลยเพราะเท่นนียอะไรก็ตามให้เราทำใจนะแม้แต่ปฏิบัติมันจะยากก็ทำใจ ทำใจทำใจดีใจดีสู้เสือโบราณท่านว่านะถ้าใจไม่ดีด่ะสู้อะไรไม่ได้ดอกนะถ้าใจดีเราโอ้สู้เสือได้เยี่มเอาไว้หลวงพ่อบอกใครตัวใครว่าหัวลบกคคิดตัวเองหัวลอกความทุกข์หัวลอความโกรธโอ้แค่นี้ก็โกรธหรือเนี่ยเหรอแค่นี้มันก็โกรธหรือเนี่ยอ๋อ ม, มาเจอมาเลยได้ เห็นว่าเอ้ยด่าตัวเองเราเป็นสามีเขาเราเป็นภรรยาเขาว่าท่านนี้ก็ควรเราหรือเนี่ยจะเป็นพ่อคนแม่คนได้ไงหยุดเลยด่าตัวเองอะไรก็ทุกอะไรก็ทุกไม่ได้นะยิ่งอย่าไปอย่าไปหวั่นไหวง่ายความรู้สึกตัวทำให้เราทำให้เราไม่เป็นไรกับอะไร มันทุกก็เห็นมันหลวงพ่อเคยถามนักปฏิบัติเป็นไงหนูแม่วันนี้หนูคิดมากเครียดเลยเครียดเก่าหัวย ง, ย ง, ย ง, ยงเอานักปฏิบัติเขาให้พูดจะ้นดอพูดไหมไม่เอาไม่เอาพูดไหมดูจีหว่บอกให้ดูมันน่ะเห็นมันน่ะ อย่าไปเป็นกับมันอะไรเราก็พูดว่าวันนี้หนูเห็นมันเครียดเออถูกต้องเลยติดที่เขาเห็นมันเครียดเราคนคนอันกันกับเราเห็นมันง่วงคนละอันกับเราไม่ใช่เราอ๋อมันมีสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าทำมันกันไงนิวรณธรรมงันเกิดขึ้นมากัน ทำที่เป็นกุศลไม่ให้บรรลุกนุนามกุลดีมีอยู่ในเราเนี่ยเนืองขวั่งเอาหอนอนไม่ใช่เราความลังเลสงสัยก็ไม่ใช่เราความชิดฟงสั้นก็ไม่ใช่เราพยาบาทก็ไม่ใช่เรากรรมมาลาคะก็ไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นมาเองนะมันเกิดขึ้นมาเองเราก็รู้วันดูวันเราจริงจิงไม่มีมีตัวลูกศึกกันเดียวลูกอนเดียวอย่างนี้ ปฏิบัติธรรมอย่าไปชิ่ามันยากมันไง่ายนะแต่ก่อนหลวงพก็ชิ่ามันยากตั้งใจทําจริงจริงอ่ะตั้งนาฬิกาไว้เออมาไ ม, ไม่ไม่มีนาฬิกาสมัยก่อนตั้งทู่ไปเอาทู่ดอกใหญ่ๆมาจุดไปแล้วก็ตั้งผักไปพอทู่ไปมหมดเราจะต้องยกมาสร้างฉะนั้นพอทู่หมดเราบางทีมันเป็นของทู่เมื่อจะหมดนาะทู มันอยากจะรู้เหรอเอ้ามันไปอยู่กับทูปนัน่นบางทีก็ตั้งเท้าไว้ไปเดินจังคมมองแต่ทูกจิตใจมาจะอะไรอะไรแบมันก็ไปเอาอื่นมาวัดตัวเองหาคำตอบจากอย่างื่นเอามากำหนดตัวเราเราก็ซ่อนคิดเข้าไปคิดซ่อนคิดเมื่อไรทูกจะหมดมันคิดซ่อนคิด คำชิดมันก็ชิดแมันก็คิดเฉยๆ ก, กันเองเพราะนั้นดูมันดูมันเหมือนไม่มีอะไรหรอกอย่าไปกาหนดอันดื่มมากาหนดเราเอาตัวเรานี่ยแล้วกาหนดตัวเรามันหลงก็รู้มันไม่ีใครไม่รู้หรอกความหลงของตัวเรานะคนเดินไม่ไม่รู้หรอกหงพ่อหนูรลงหรือเปล่าไม่มีคําถาม พ่าหนูรู้หรือเปล่ามีสติหรือเปล่าไม่มีคำถามไม่มีใครตอบให้เราก็ต้องตอบเอาเองเอาหลงเอาเองก็รู้เองเองแล้วก็รู้เองก็รู้เอาเองความหลงก็รู้มันหมดไปเมื่อความรู้จึกตัวมีแล้วความหลงหมดไปหลงเข้าวความหลงหนูหมดไปหรือ ย, ยังไม่มีคำถามสัจธรรมไม่มีคำถามหราไม่จะคาตอบ ใครตอบเราเองเราตอบเราเองนี่เราหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นมันหลงไปเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นรู้ซื่อๆรู้บริสุดอย่ารู้แบบอะไรถูกอะไรผิดอ่ารู้เดีถูกอันหลงไม่ถูกอันนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติเราแต่ตัวเจติจริงๆก็ว่าไม่ดีไม่ดีจะไม่ม ถ้าจะเป็นคำพูดก็รู้แล้วรู้แล้วมันหลงก็รู้แล้วอันเดียวกันมันรู้ก็รู้แล้วอันเดียวกันโดนรู้จะหลงคือตัวรู้อันเดียวกันไม่ใช่ไปสมัครใช่เอกเทนึ่งเอกเราชอบความรู้เราไม่ชอบความหลงเอาบัญญัไปอีกแล้วบ้างเรารู้แล้วอะมันหลงไม่บันไว้พอเรารู้ความหลงหมาไปเออดีดีก็บันไว้ไปอีกแม่ง ดีไม่ดีถ้าเป็นสติจะไม่มีคําพูดคำนี้มันจะรูของเขาเองรูสั้นสั้นๆรูเชื่อเชื่อรูบริสุทธิ์รูรูเราหลุดรูเราหลุดรูเราหลุดไม่ใช่รูเราติดรูเราหลุดรูเราหลุดหลุดจากอะไรหลุดจากทุกอย่างพอเขาถึงควารู้เป็นจุดหมายปลายทางของเรานี่เราต้องการตัวนี้นะ ถ้ารู้จึตตงจตัวถือว่าถูกต้องแล้วถ้ารู้จึงตัวถือว่าถูกต้องแล้วอย่าไปถามว่าเออมันรู้หรือเปล่าถ้าไม่ผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าไม่ต้องถามอย่าหาคำตอบอย่าหารายละเอียดบางทีเราไปหารายละเอียดเ้าผิดเราถูกกับความคิดพูดแล้วพูดดีไม่ถูกสเสมอไปคำตอบที่เกิดจากความคิดส่วนมากยางเราจะไปคิดเราออกมาตอบ เมื่อได้คำตอบจากความคิดมันไม่จริงมันเป็นสมมุติคำตอบจริงๆไม่ต้องคิดมันเห็นมันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นคำตอบที่ไม่ใช่เกิดจากความคิดเป็นคำตอบที่เกิดจากการกระทาเงมือนเราเห็นว่ดป่าสุกโตไม่ต้องไปถามใครพอเราเห็นเราเคยมาแล้ว นี่ชะลาหัวใจหันชะลาไข่หันชะลานา้นั่นสาลาน้ำนี่เฉตบาจิกาโน่นเชตวาโสนี่ลานิฮินโก้องอาจารย์ต้องเจนทำนะเออพอเราเห็นแล้วไม่ใช่เราบางอาย่วันนี้มันจะมันจะหมดไปมันอยู่กับเราตอดเวลาความดีความชั่วเช่นเราอยู่ด้วยกันนะ่ะ ไม่ใช่หรือยลรูปายู่เจ็ดวันแล้วอยู่ด้วยกันจนตายเราทําอะไรมันเป็นตาตาประทับไว้มันเป็นกล้องถ่ายเอาไว้ในชีวิตเรานะ่ยทำความดีก็ถ่ายเอาไว้ทําความชั่วก็ถ่ายเอาไว้แต่ว่าบางมันถ่ายเอาดีเมื่อจ่ายกันกับมันถ่ายความชั่วถ้าคนบางคนเกิดมาทําแต่ความชั่วเลย ความนี้ไม่มีมันก็ไทยเจ้าใจนั่นไปหรือเราปิดบัติดีต่อกันสามีปัญญาลูกเต้าปิดบัติดีต่อพ่อแม่พ่อแม่ปิดบัต ด, ดีต่อลูกถึงขราวที่พัดพาดยา ก, กันไปไม่ใช่ความผิดของเรารเราก็ทำดีสุดแล้วเช่นแม่หลวงพ่อตายไปนะ ไม่ใช่ความผิดของเราเราดูแลแม่จนสุดปีมือก็บอกว่าแม่เอ้ยลูกก็ได้รักษาแม่จนหมดแล้วหมอก็รักษาแล้วพาไปไหนมาไหนหยกยาหามาหมดแล้วแม่ไม่ต้องสงสัยพอแม่ตายไปแล้วก็ไม่ทุกข์อะไรเลยเราได้ทําดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้ทําดีเลยเสียใจนะเสียใจ สิ่งที่เราทำไม่ดีล่ะมันจะมาให้เราเสียใจนะถ้าเราทำดีไมมไม่เสียใจพ่านอย่าทะเละวิวาทกันอย่าโกรธกันอย่าอิจฉาเบียดเบียนกันให้ทำดีต่อกันเอาไว้ใครก็ตามมันจะเป็นตาอ่าเขาว่าอะไรนะความผิดความถูกเป็นตาความรู้เป็นตีชั่วดีเป็นตา ชั่วกับดีเป็นเ็นตาบันกับประทับไว้ในใจของเราการเจริญสติเนี่ยหลวงพ่อพูดสี่สิบกว่าปีพูดอยู่เนี่ย0สิบกว่าปีวันที่หลวงพ่อพอานนิษฎจากที่โรงไย้บาลคุณหมอกำพร อ, อยู่ข้างข้าขวหลวกพก็เขียนหนังสือพูดไปได้อาจารย์กำพล ลองก็ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนประสบการณ์กับหลวงพ่อเทียนสี่สิบกว่าปีมันเป็นมันนี่ของเรานะมันเป็นวันนี่ของเราด้วยปฏิบัตบิประสบการณ์กับการปฏิบัติธรรมน0่ี่สิบกว่าปีแตเป็นเป็นวันนี่ด้วยบอกยานหมอกอับคนมันเป็นวันนี่ของเราไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเลยความดีของเราความพียรของเราเหมือนกันนะความดีมันจะสามสมุนตเรา ความเชื่อยอลงพ่อเราเป็นบาปเป็นบุญก็ต่างกันอยู่มันมีบุญมีบาปทนะังคนเราเนะี่ยไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานแต่เดรัจฉานเขาไม่มีเขาไม่พัฒนาคนเรานี่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้อะไรไม่ทำดีเลยนะมันเป็นบาปเขาพูดว่าคนเราเนี่ยไปสวรรค์เท่าเขาโข ไปนระกเท่าขนโผเขาพูดออกมารองพ่อวัดป่าสุโตพวกเราวัดป่าสุโตจะไม่ยอมไม่ยอมเลยนี่นะเนาะเราจะให้คนไปสวรรค์เท่าขนโขคนไปนรกเท่าเขาโหให้มันตรงกันข้ามเลยนะเนี่ยกําลังสอนอยู่เนี่ยอให้ใจดีๆอย่าให้ดีใจใจมันดีคิดดีทำดีพูดดี ความดีเนี่มันก็คุยทางไปแล้วยกแล้วเลื่อนฐานะแล้วจะไปโกรธคนโกรธคนล่าสมัยนะจะบอกแค่คนทุกข์คนล่าสมัยแล้วสุบุรีก็ล่าสมัยแล้วกินเหล้าก็ล่าสมัยแลย้ว เ, เขาไปกันแล้วทุกวันนี้นะเขาพัฒนาได้จริงจริงคือมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาไา้ ถ้าเป็นคนเนี่ยพระตาญาหมือนกันคนเนี่ยรู้จักคนบ่เอาอะไรอะไรอยากมาผลคนเดินคนชั่วคนจะเลยเร็วสามโคบโกนลมคนเลยมั้งเป็นคนทำมนุษย์ใจมันสูงมนุษย์แต่ใจสูงขึ้นมาควาโลภคมหัวกล่อมควา ม, ม, วา ม, ม, ามทุกข์ทับถมมาได้พรมันสูง เมื่อเรานั่งอย่ า, ยางหัใจนะมันงูมันเลื่อยอยู่ตรงนั้นมาก็อยู่มาเราก็อยู่สงูนะสง ก, กว่ามันนะอยู่สูงกว่าแต่ก่อนเราอยู่ตรงนั้นวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้โอ้เราจะอยู่ตรงนั้นได้หรือใจของเราโอ้แต่ก่อนเราเคยโกรธแต่กอ่อนก็เลยสชบุรีเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่แมันคนละโลกกันแล้วขทายแล้ว แต่ก่อนเราเคยโกรให้ใครต่อใครเดี๋ยวนี้ทํำไมได้โอยมันคมขืนตัวเองถ้าโกรธเองคมขืนตัวเองนะใช่ไหมบางคนชอบชอบความโกรธคิดได้คิดดีคําคิดที่บันติดที่สุดคือความไม่ดีกับคนอื่นถ้าคนอื่นพูดอะไรไม่ถูกใจเราเอาเรื่องนั้นออกมาคิดอยู่ตรงนั้น ความดีของเขามีเยอะแยะไม่ใช่ชิดเลยเขาว่า ก, กับเราเขาว่า ก, กับเราความดีที่เขามีเยอะแยะนะมันชอบติดนะเขาเรียกว่าคุมิพบภูมิมันต่างำนเราต้องพัฒนานี่แหละวิธีพัฒนาชีวิตจิตใจเราก็คือการมาจะเลื่อสติตนี่แหละให้รู้รู้ต่อรู้มันจะมาให้หลุดจากจริงต่างๆ แต่ก่อนเราโกรธเราอดเอาไม่พูดในเวลาโกรธต่อไปไม่ได้อดเลยไม่พูดในเวลาโกรธข่มไว้ตาทางข้าวิวช์ข่มไว้พี่ขำไปแล้วุธดผีออกไปสมูทเข็ดแต่มุดเด็ดขาไม่มีแล้วพี่ขำไปแล้มุดข่มไว้ถ้าพูดเป็นจะได้ทะเลาะกันข่มไว้อดอดไไว้ บางทีเราโกรธให้ลูกจะตีลูกจะด่าลูกอดไว้อดไว้อันนี้ข่มไว้ก็รลุดได้เหมือนกันบางทีความโกรธก็หายไปหายไปหายไปวลารนั่งว่าจะด่ากันไหนให้นับหึงถึงสิบหรือจะพูดอะไรจะด่าเขาอมน้าไว้ให้น้ําย่าใหมันอย่ามันมากเกินไปอบน้ำพอมันยิบๆหน่อยอมไปไห อมน้ามให้มันยิ้มหน่อยไหมถ้าอมมากมาแบบแจ่มังกะตุยอยู่มึอมมันพอยิ้มยิ้มเถออ่เขาบ่นนะเราอมน้าไปเนยิ้ ม, ออ โ, อ ม, ม, นะมโอ้ยามีฉันนี่ใจดีเหลือเกินบอกเธออยิาง้จอมน้าไม่เออเอาไปมามันก็ไม่โกรธเหมือนกันนะนะยาผูตออกไปนะไม่พูดดาราโกรธ นี่เลยว่าตัดทางคำอิมุิให้พากันทำบ้างอย่าง่ายอย่าหลุดไปง่ายๆมีคำไปแล้วมีบุตรนีออกไปนี้ไปไหนจะบอกว่าร่งด้วยกันต่อตัวตั ว, ตวโอยจับไม่กวดกวดบ้านเฉยลองไว้บ้านไปดูดูคายเข้าไปเข้าไปดีไปก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่พูดคำสองคำสามคำ นี้ไปก่อนนี้ไปเอาไปมามันก็หายโคตเป็นไงนะอันนี้นี่ออกไปสบูดเข็ดตะวิพุธมันอยู่โยงโหกพันไม่มีเลยนะเอาเนี่ยให้มันถึงที่นี่กันจริงเหื่อนี้เราพัฒนาดได้ไม่ใช่ขอนะ ขอให้ไปสวรรค์นในปาณาคตการเมื่อนานน้นเถินไม่ใช่ขอให้ทําเอาให้ทําเอาเวลานี้มาให้วิธีเอาไปทําดูที่ไหนก็อยู่กับเราความโลภความโกรธความหลงความรักความอยากความสุมทุกข์เปนอยู่ที่เราว่ามไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่อยากไม่สุขไม่ทุกข์มันก็อยู่ที่เรา น้ำย่อกระน้ำบน่นในตัวของมันพรวงพ่อเทียนบอกเราว่าให้มีสติดูจิตให้มีจิต ด, ดูจิตจิตแล้วก็ดูจิต น, นะไม่มีใครไปช่วยจิตจิตมันช่วยตัวมันเองถ้าเราปฏิบัติแล้วเพราะว่ามันรู้ไม่ใช่มันไม่รู้เราเคยมีสติเออพอ ร, รูจร้จิตตัวนมา มันเป็นพมใหม่เคยเคยล่างมือเป็นลังมือจะเล่าให้ฟังฟังไนหะนะมหลวงพ่อเล่ามาจีข้างจีฮวันเราอยู่ที่นี่เล่าไปจะจสินะเล่านะสมัยบวชใหม่ๆนะคนห่อพทย์วานันก็ถ้าทายตกความยา่าความกลัว เขาฆ่ากันตายคนนี่ตายเป็นคนไม่ดีแต่กว่าตำรวจจะมาพลิกศพเป็นคนด่างวรามก็อยู่ถนนนาวัดไม่ไก่แล้วก็เขาก็มาตรวจพลิกศพแล้วก็ไปดูกับเขาตาเลือกตระหลนไหน้ำหนองไหลออกจากปาก เหม็นอ่าเราก็ไปซื้อไม่ลงเลยมาทพงดใหญ่ครับนี่ไปขอมาไม่ได้ซื้อําเวิดไปขอมาอะไรมาสี่แผ่นมาทําเป็นห็ดศพหลวงพ่อเห็นว่าอยากได้นะเพราะจำอะไก่อนเราไม่มีเราเราอยู่เตียงเรามีหลังคามงังไรพติกนะถ้ามีกระดานสี่แผ่นนี่จะได้เตียงใหญ่ๆจะได้กระดหลังเด็กๆ เขาก็มาที่ป่าชาเราอยู่ป่าชาด้วยนะอ่าพอเขามาคนที่ถูกข่าตายเขาจะไม่เขาคนเมืองเลยนะก็จะไปฝังไก่ไก่หมูพอเขาไปฝังก็ก็ใกล้กับวัดตีหลวงพ่อที่อยู่ก็ขอเขาให้ให้แกหีบไปออกยาวเหีบลงหล่นนะลังให้อัตมาขอจะเหีบศพนะ ก็ไปแกะช่วยเขาพอแกออกเราก็เทก็ยกเทไยไม่ต้องกลัวน้ำพุ่หล่ไม่งกลั ว, วมันสี่สิบกว่าปีแล้วไม่มีแล้วนู่นอยู่บ้างเลยมอัน <c oughs> <c oughs> อยู่นี่น ะ, ะแล้วก็พอเขาขอพอก็เทรองหล่มันก็เหม็นนะไม่มีอะไรเหม็นติดติดตัวเท่ากับศพของกด อก็ลากเอาไปไปแช่น้ำในวัดดันไม่หลมลินเขับอกขุดตัวดินน้ำมันขังอยู่ไปไปแช่น้ำไหมเดือนหนึ่งเอาขึ้นมาเอาแพบเอาเพาะแปลงทองอย่างดีซื้อมาขัดแล้วาตายแ ด, ด้ไ้เอามาปู่นอ่อนเอามาพงอ่อนเวลาฝนตกลงมานี่มันก็ชื้นใช่ไหม ไมมันชื้นคือไม่แห้งมันขาดเท่าี่แห้งไม่มีกิ่นเลยพอมันชื้นขึ้นมาฝนตกขึ้นเรานอนลงไปเหม็นเนี่บเหม็นเหม็นมันเหม็นแบบนี้เราเหม็นโฉบหน่อยนึกโฉบแบบนี้เราไปทิ้งเหมือแบบนี้นึกไปกับเหม็นไปปรากฏว่าเหม็นมากขึ้นมากขึ้นก็นอนหลับไปกับความคิดนะ พอคิดไปมันก็หลับหลับก็ฝันไปอะไบ้านะความฝันก็ความคิดความคิดคือความฝันกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดก็หลับก็ฝันไปฝันว่าจบแล้วนะ่ะจิ้งมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไม่กระถาว่ากระถ า, า, ถาพพกระถาพอว่ากระถาไปศบก็จิ้งหนีไปพอหยืดว่ากระถาศบไปจิ้งมาพอว่ากรถาจบจิ้งหนีไปสู้กันอยู่นั่น ตืน่นมาเหนื่อยดดดดเลยหนื่อยเที่งคืนตื่ น, นมานั่งอยู่ยังเหม็นอยู่เลยนะเ ม, ม, ม, ม, มื่อเมื่อมันอีู่่ไอ้เนมือนเราจะไปไหนอ่ะจะไปหาเพื่อนเลยอู้อะไรเขาเลยถ้าจะวิ่งก็จะวิ่งนะชิดว่ามันเอาแล้วผีหลอกมาหลอกเบาันเลยผีหลอกแค่แท่ะไรนีน่ใช่ไหมผีไหม ตัวเองหลอกตัวเองนะเอ้ยไม่ใช่เราคิดเฉยๆนั้นนหละมือวางเราเิ่งเรขึ้นรู้ตัวนะั่นหายเวบทันดีเลยความแม่นก็หมดไปทันีกัวผีแต่วันนั้นมาไม่มีเลยความกลัวทํำให้เราไม่กลัวเลยนะตรงกันข้มมามบอดีเลยตั้งแต่บันนั้นมาตั้งแต่สี่สิบกว่าปีมานี่เข้ามากลัวผีไม่มีเลย ยาเข็นด้วยนะเขาว่าผีคนออกลูกใยมีผีแจกเขามาเผาเขามาเผาที่หน้าบันก็มีไมจะแนนมีทำพ่อหนึ่งมีระบวยยินหน้ามีอูไมีได้รแฉนทำท่าอยู่ไฟอยู่กับนะแล้วพ่อเขาพอเขากลับบ้านมาแล้วไฟแดงเขาอา ก็ไปเอาหม้อนึ่งเขามาทํามาใส่น้ําจิ้มเอากระ บ, บวยมาด้วยมาใส่น้ำํำจิ้มเอาแป้งมาด้วยเอาแป้งเอาให้เนนตอนนั้นเราเอาได้เลทีนี้เขาอาผีมีนะก็ทําให้ปวดหน่อยก็กะกนะ้ากัวกก็บังคับแต่งไปดูผีด้วยที ไฟแดงฉันเดินไปเดินไปมันอยู่ศาลาที่เขาศพอ่ะไม่ใช่เมนอันตรวันเป็นกองเป็นอ่าก็เดินไปเขาถมเงินอ่าพอเดินไปเอ้ถ้าผีมันตัวใหญ่ตัวเนี้ยถ้ามันตีกับเราเราสู้มันมาได้แล้วรนีมันตัวใหญ่ก็นตมาดูตัวเองตัวเล็กเกินห่เดินไใกล้ ลุกขึ้นมาเนี่ยยืนขึ้นเอ้ามันจะเอายินน้วยนะบันขับตัวเองาไปให้เขาว่าเล่าว่าผีฆ่าพระปัตา พ, พุริยานตายให้เขาได้เล่าดูจริงวไปเดขาไปจงไปพอเดินไปมันก็หันหน้ามาใส่เราตอนนี้เท้าประตูมันเท้าประตูมันไรเงนะ่้ยเอ้าผีอะไรเป็น มันสว่สเอ้าควายควายเผือกตรงนั้นน่งไม่ดูหนาเดือนพกี่กามาไม่เข้าคอบงานนอนอยู่กองไปมันหนาวโอ้ควายเผือกโอ้ยผีถ้าเราไม่ดูดีๆจะถือว่าผีจริงๆเลยพอตอ้องช่ามาไปเป็นธบาตไปธบาทิธบัติไอายาไอายาเอ้ย เป็นคุยเพื่อใครน้อยบอมันไม่เข้าแลรงเมื่อคืนนี้โอ้ยมันอนอยู่วัดบอลวะมันขวายไม่ใช่ผีดูดีๆเนี่ยเราไม่กลัวอะไรก็บ้าอะไรก็คิดว่าผีว่าอะไรไปตะ บ, บนเลยไม่ไม่มันกลัวความคิดตัวเองความกลัวก็ความคิดตัวเองความรักก็ความคิดตัวเองอิจฉาเบียดเบียนความคิดตัวเองแท้ๆ อันอยู่กับเราเนี่ยเอา้าเราเป็นพระใจ ด, ดีใจได้เป็นผีใจดีเป็นพระจะเอาไหมนะ่ะใจร้อยก็เป็นผีทันทีเห็นผีไหมรู้จักผีไหมหลวงพอบอกเราวันก่อนเวลาโกรธ้าไมส่องกะ็ะจกดูหน้าเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมเหมือนสามีเป็นญาติกันไหมไม่เหมือนอย่างๆนะใจได้เป็นผีใจดีเป็นพระ เปียนนะเป็นพระเจ้าใจดีๆพระไปสวรรค์ในฝันได้สวรรค์ในฝันขี้ไม่ได้สวรรค์ในพันนะนี่บัดนี้เอาเลยพวกเรานะห้ยมันสงบร่มเย็นไปทั่วโลกไปเลยปฏิบัติทำไหนมันเป็นประโยชน์จริงๆน ะ, ะพวกเราอย่งอุตส่าห์อยู่กันอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้เป็นเพื่อนกัน มีแต่บระดีๆอย่างนี้ช่วยกันบอกช่วกสอนอันเดียอันเดียวกันนะอยู่ที่นี่อุ่นใหญ่วันหนึ่งหลวงพ่อ ก, ก็พูดว่าเวลานี่ยหลวงพ่อมีการเอกสารหลายอย่างหลวงพ่อเป็นเจา้าของตำบลต้องงานหลายๆอย่างประชุมเรื่องเอกสารจะต้องไปทํางานเอออยู่นี่ มันก็อิ่มดีนะอิ่มอะไรอิ่มใจอิ่มอะไรอีกอิ่มข้าวมีคนนําอาหารทําอาหารให้ฉันอิ่มกายอิ่มใจมีเพื่อนที่ดีอยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นหน้ากันก็อิ <ท11> อ่มใจอาจารย์ทรงเช่นอยู่ก็ดีโน่นอาจารย์รัฒชัยอาจารย์วัเทพอาจารตู้อาจารย์โน่อยู่โน่นอาจารย์หนึ่งหวนอยู่โน่นนอนอยู่นี่อาจารย์หนวนอยู่โน่น อุ่นใจอิ่มใจอิจอ่มใจพอเห็นเพื่อนเน็ตมิตรอิ่มใจไม่เปี่ยวไปเดียวดายเลยแม้ไม่ได้อยู่วันนี้เอ้าหลวงพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลชิดเห็นเพื่อนที่นี่อุ่นใจชิดเห็นญาติโยมอุ่นใจอันนี้แหละทให้เราหายโรคภัยไข้เจ็บอย่าไปเปี่ยวใจเส้าหมองอะไรเล ย, ยชีวิตของเรานีนะเราทําได้ เราทำมอได้นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทำใจทำใจเนี่ย ท, ที่ไหนก็ทำได้นะแล้วก็นี่หละ ว, วิธีหัดจิดหัดใจก็หัดอย่างนี้แหละไปในกายจะก่อนสิบสี่ยังแบะสิบสี่รู้วินาทีอย่างรู้ทีไหนได้เป็นเช่นนี้เลยก็ได้ได ใช่ใ่อ่ elle, หห paid, ะพอดีพอดีก็ชาติก็ไม่ชาติกันไปถ้าวัยก็ไม่วกันไปสิบสี่นาทีสิบสี่รู้จะมองหนุกอะไรสามวันขวารู้เดินก็มันกันลพอดีรู้พอดีอย่าไปย่องอย่าไปย่ออย่าไปยกส้นหนョยกหนอย่างหนョโร่หนอตุ่หนョกตรเหยียบหนョไม่ต้องไงบริกรรมตัดบริกรรมออก ให้รู้เฉยๆรู ue, ้เฉยๆรู้เฉยๆไม่บริกรรมไม่ต้องบริกรรมอะไรให้รู้สึกรู้สึกรู้เข้าถึงตัวรู้เข้าถึงตัวรู้มันไม่ไมยากเข้าถึงตัวรูนะ้เนี่ยรู้ไม่ต้องงนะ่าไม่ต้องมาอลไรมันรู้ไปถ้ามันติดแล้วเอากายไปท่องจําท่องจําอะไรท่องจำมัจจิต ไม่ใช่ปากันคูดมันช่องยาวแล้วมันรูเรามันจะติดทําอะไรมันก็ติ ด, ดนะกายมันติดลูติ ด, ตดหลงก็มีชีวิตของเรานะเกิดบางอาจจะหนึ่งวันนี่แหลมรูขมหลงอะไรมันไหลนั้นมากกว่ากันอาจจะบางคนเลยหลงมากกว่าเออนะ่ะดีแล้วจะได้รูมันจะรูรูไปนะไ อ, อย้ยายนี้่นะไอ้เยินไหม ฟังรู้เรื่องไหมดวงตาพูดเนี่ยเอาเอาท่าไนร่ก่นนเนาะเอากราบพระเพิ่มกัน